ถ้าสัมมวลภาคกลางต้องบอกสุขหนอสุขหนอนะของท่านไม่บอกสุขหนอท่านบอกสุขแท่นอ้อสุขแท่นอ้อท่านมีความสุขนั้นท่านบอกเลยว่าเราภาวนามานะเราไม่นึกเลยว่าเราจะมีความสุขขนาดนี้นีถ้าพวกเราอยู่ๆลดความเดินไม่ได้เราจะสุขแท่นอ้อไหเราต้องสุขกอกไก่แงง่เลยไม่ใช่สุขขอไข่ล้วของท่านนะ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 คนทั่วๆไปไม่เคยฝึกใจลอยวาละครั้งเดียวนะครั้งละสิบชั่วโมง20บชั่วโมงอะไรเพว่าไปคือไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเรารู้สึกตัวหนึ่งครั้งวันนี้เราใจลอยสองครั้งแลถ้ารู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งนะเพราะความใจลอยเนี้ยมีสมการใจลอยนะเท่ากับรู้สึกตัวบวกหนึ่งเพราะฉะั้นเรารู้สึกตัวหนึ่งเนี้ยนะวันนี้ใจลอยสองนะใจลอยสอง นั่น เ, เรารู้สึกตัวสองครั้งวันนี้ใจลอยสาครั้งเป็นหลงไปลองหล ง, ล ง, ลงแล้วรู้สึกขึ้นแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวหลงอีกแล้วรู้สึกอีกแว บ, บหนึ่งหลงนะงั้นใจลอยมันจะมาก ก, กว่าความรู้สึกตัวอยู่หนึงนะ่งั่นเราค่อยดูของเราณนะตอนแรกๆ ก, ก็นานๆจะรู้สึกทีหนึ่งต่อไปหัดดูไปเรื่อยๆมีนาทีสองวินาทีาทใจลอยก็รู้สึกทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าวันละครั้งสองครั้งละต่อไปเนี้ยนาทีหนึ่ง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 ตำราก็สอนชัดนะจิตมรรคจิตผลแจิตเนี่ยมีเจตสิกคือส่วนที่ประกอบจิตเกิดร่วมด้วยอีก30กว่าดวง เ, เกิดด้วยกันเป็นทีมงานที่ใหญ่มากเลยที่เป็นทีมงานฝ่ายกุศล น, นีทีมวบเลอร์เลยกลับไปสําคัญผิดว่าตอนเกิดมารเกิดผลนะไม่มีจิตจิตดับวูบลงไปจิตดับมีอยู่ภูมิเดียวเท่านั้ น, น, นคือพรหมลูกฟักนะนี่ยต้องระวังนะภาวนาแล้วกลายเป็นพรหมลูกฟัก